มนุษย์ทุกคนนะย่อมปรารถนาความสุขความสุขนะคือจุดหมายของมนุษย์ทุกคนก็ว่าได้และทุกคนก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเนี่ยได้ประสบความสุข แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องกล่าวว่ายังไม่รู้ชัดในเรื่องความสุขความสุขที่ผู้คนรู้จักเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นความสุขชนิดเดียว ในความจริงเนี่ยความสุขมันมีหลายระดับมีหลายประเภทแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้ร จ, รจักแต่ความสุขชนิดเดียวนั่นคือความสุขที่เกิดจากการเราติดกระตุ้นใจในเลอดปจีจะเนนาดู ความสุขที่ผู้คนสอยอาหามันก็มนีไม่พนนะความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจอาหารที่อร่อยเพลทีไใค ร, รมันให้ความสุขกับผู้คนก็เพราะว่ามันกระตุ้นจิต อาหารเนี่ยถ้าหากว่าจืดไม่มีรสชาติอย่างอื่นเช่นเปรีย้ยวหวานเผ็ดคนก็รู้สึกว่าไม่อรอ่อยกินแล้วก็ไม่มีความสุขเพลงเนี่ยจะให้ความสุขได้มันก็ต้องมีจังหวะ งานที่กระแทกกระทัน้นยิ่งกระแทกกระทัามากเท่าไหร่สาหรับหลายคนก็ถือว่ายิ่งให้ความเพิ่มเพริมมากขนะึ้นถ้าลองพิจารณาดูนะความสุขที่ผู้คนสว่งหาเนี่ยมันก็มีให้คนในเรื่องสิ่งที่มานกระตุ้นเราต่างๆทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายแล้วก็ทางใจการรับเล่นเช่นกีฬาหรือว่าการประจนภัยที่มันให้ความสุขกับผู้คนก็เพราะว่ามันกระตุ้นให้จิตเนี่ยเกิดความตื่นเต้นอันนี้ก็เรียกเป็นการรล่าจิตกระตุ้นใจอย่างหนึ่ง ความสุขทางเพศก็เช่นเดียวกันมัน่งที่การเราจิตเระตื่นใจให้เกิดความอยากเกิดความปรารถนาและพอได้สมอยากของปรารถนาก็เรื่องมีความสุขอันนี้รวมถึงเงินทองด้วยนะเงินทองทรัพย์สมบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยเพียงแค่ได้มี ก็มีความสุขแล้วเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าเรามีอำนาจมันไม่เกิดจนินตนาการว่าเงินที่ได้หรือรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะทําให้ช่วยเรามีอะไรแใหม่ๆมีความสุขมีความเพลิดเพลิน อ, อย่างไรบ้าง ยังไม่ทำได้ใช้นเงินเนี่ยเพียงแค่ได้มาก็มีความสุขแล้วเช่นเดียวกับทรัพย์สิเนเงินทองแกรวัลเพชรเนลจินดาหลายคนไปห้างเนี่ยก็มีความสุขแล้วเพราะมันมีสิ่งของเราสิ่งของเราทางตาสิ่งของเราทางหูมีเพลงมีสินค้า แปลกแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจที่กระตุ้นจินตนาการและสมัยนี้เนี่ยก็ตามห้างก็จะมีกลิ่นที่ทำให้เกิดความผึกสบายทาให้อยากซื้อและพอซื้อเนี่ยไม่ทันใช้ของเพียงแค่ได้มาก็มีความสุขแล้ว กลายเนซื้อรล้วซื้ออีกซื้อแลซื้ออีกทั้งที่อาจจะไม่เคยได้ใช้เช่นเสื้อผ้ารองเท้าแต่ความสุขของคนสมัยนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การได้ไม่ควรที่การมีมีรองเท้าห้าสิบคู่หรือมีรองเท้าร้อยคู่ก <c oughs> ็ยังไม่มีความสุข <c oughs> จมกว่าจะได้คู่ใหม่อีกคู่หนึ่ง เพิ่มภาคก็เช่นเดียวกันรถหนึ่งรถยนตย์มีรถยนต์หลายคันก็ไม่มีความสุขถ้าก็มีคันใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมีบ้านหลายหลังก็ไม่ทําให้มีความสุขมากเท่ากับารที่มีบ้านอีกหลังหนึ่งเพิ่มขึ้นมาของใหม่นี่นะมันให้ความสุขกับเราเพราะมันมันเชื่อกับเราจิตกระตุ้นใจแต่ความสุขชนิดนี้เนี่ย มันให้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็เจอไปด้วยความทุกข์ทุกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็คืออยากได้แล้วก็ดิดหลนสวายงาในการติดหลนสวาญหาก็ทำให้เหนื่อยเพราะว่าต้องมีเงิน ต้องหาเงินมาให้ได้มากเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาและบางอย่างเนี่ยมีเงินอย่างเดียวก็ไม่พอนะเวลามีการประกาศว่า p h o n น 8S นะวางตลาดแล้วเนี่ยผู้คนก็ต้องแห่ไปเข้าคิวเพื่อที่จะซื้อ มีเงินอยู่ในมือแล้วก่ยังซื้อไม่ได้นะเพราะต้องเข้าคิวอยาว่างในเมืองนอกบาถีก็ไปองไปกลางเต็นนอนอยู่หน้าห้างนะเพื่อที่จะซื้อเป็นคนแรกมีเพื่อเล่าว่าที่ถนนชอง ม, มริเซ่เนะี่ยฝรั่งเศสนะมันก็มีร้านือวิตตอง น, นะแถวนี่คิวนี่ยาวเหยียดเลย นะทุกคนก็มีเงินทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่มีเงินก็จะต้งองซื้อได้ต้องมีเวลาด้วยนะต้องมีเวลาที่จะอดทนรอคอยอย่างนี้ก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งนะบางทีคอยคิวเนึ่งยาวจนมาถึงข้างนอกร้านอากาศก็หนาวเดือนทันวาเขาก็ยังคอย เข้าคิวเป็นชั่วโมงช่วโมงเพื่อที่ได้ซื้อของที่ต้องการอย่างที่เลยความทุกข์นะเหนื่อยยากกว่าจะได้มาได้มาแล้วก็ยังต้องเหนื่อยการรักษากลัวคนขมโมยมีรถราคาแพงจอก็ต้องระมัดระวงังเพราะถ้าจอไดไมเป็นที่ก็อาจจะหาย เวลาขับรถก็ต้องคอยระวังระวังว่าจะมีคนมาชนท้ายหรือเปล่านะเวลามีรถมาชนท้ายถูกรถชนท้ายก็โกรธนะไปลากคนที่มาชนให้มากราบรถเนี่ยด้วยความโกรธ ด, ด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่ามีคนก็ถ่ายคลิปปรนะากาศทาง Facebook ก็ต้อง ลักคร่ อ, อนะจากพฤติกรรมที่เกิดจากความหวงความแหนพฤติกรรมที่เกิดจากความทุกข์พอรถเนี่ยถูกชนท้ายนี่ก็ทุกนะทุกเพราะรถทุกเพราะโทรศัพท์ทุกเพ ร, พ ร, พรพบ้านยังไม่ต้องพูดถึงว่าเวลามันหายไปเวลามันเสื่อมไปเสียไปก็ทุก เพือ่อมาบวชพระจุ่ๆการาิต้องรีบสตารเพราะได้ข่าวว่ายายปวดหนักทีแล้กเขาแจวยายเนี่ยเป็นโรคร้ายใกล้าตายพอไปถึงก็พราะว่ายายป่วยหนักเนื่องจากส้ยอยคอราคาแพงที่แสนดักแสนหัวเนี่ย มันหายไปกกเสียใจมากเสียใจจนล้มป่วยเลยอันนี้ก็เป็นความทุกขนะ์ไงเป็นความทุกข์ที่เกิดจากาทรัพย์สินสิ่งของที่อุตสาหามาเหนื่อยยากแล้วก็ต้องรักษามาันรักษามันเท่าไหร่ถึงเวลา มันก็หายไปเพราะมันเป็นธรรมดานะไม่มีของชิดใดนะที่มันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดก็ทุกนะจึงนะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราจริตกระตุ้นใจหรือความสุขที่เกิดจากการมีสิ่งเราทางตาหูจมูกลินกายหรือใจเนี่ยมเป็นความสุขที่ชั่วคราว ต้องแลกไม่ได้ความทุกข์ต้องแลกไม่ได้ความเหนื่อยยากเกิดมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปไปกราบหลวงปู่ดู่พรหมปันโจแล้วก็เล่าว่าเพิ่งไปชาาพ ร, ระอุปคุณมาหลวงปู่ดูก็ถามว่าไปเช่ามาทำไม เขาก็ตอบว่าแกได้รวยกับหลวงปู่ชายกระดเปย์ก็มาเบาๆว่ารวยกับสวยจะเป็นใกล้กันนะ <c oughs> ฉันบ่มคนนั้นก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงเหรอทีนี้เราเกันบอก ว, ว่ามันเขียนใกล้ๆเขียนคล้ายๆกันเสร็จแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยรวยเนี่ยเนะียมันได้มาเนี่ยมันก็เหนือกัน หามาได้มาแล้ว sure. ก็ต้องเีือการรักษาพอมันสูญหายไปนะก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเ่ะรวยเนี่ยเอาดีดีกว่าดีดีกว่าทำไมคุณอยากจะรวยนะ เพราะว่าเชื่อว่ารวยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ความสุขแต่ความสุขที่เขาคิดถึงหรือพูดถึงเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดกันที่มีสิ่งรากกระตุ้นใจซัพ ส, สมบัติอาหารที่อร่อยหรือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเพชรนินจินดารถเดินบ้างมันเป็นความสุขที่ชั่วคราว ที่จริงเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันจะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมสลายหายไปแต่สังเกตไหถ้าเกิดมีมีเศษหรือมันอยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็เบื่อแลนะ้อาหารที่อร่อยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหมูลามพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นอาหารมิชลินกี่ดาวก็แล้วแต่สมมติว่าเรากินทุกวันกินทุกมือ้อทีแรกก็อร่อยนะแต่พอกินไปทรับอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยจากอร่อยเนะี่ยก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วแต่ถ้ากินต่อไปเนะี่ยก็จะเริ่มเบือ่อ ถ้ากินอีกกินทุกมือก็จะเริ่มเบียงแล้วถ้ากินต่อไปอย่างเี้ยอาจจะจนเก็อ า, อาเจี่ยนก็ได้รสชาติอาหารไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าการที่เราได้เสพมันได้กินได้ได้ไปคุ้มมาบ่อยเนี่ยมันทาให้มันไม่สามารถจะราจิตกระตุ้นใจได้เหมือนเคยเสื้อผ้าที่สวยเพลงที่ไพเราะนะ ไม่ต้องสวมใส่นนแค่เห็นมาทุกวันทุกวันเนี่ยล้วก็เบื่อแล้วอยากได้ตัวใหม่เกนที่ไพรรดเนี่ยฟังครั้งแรกก็เพราะจริงแต่พอฟังไปสักสาสิบี่สิบครั้งเนี่ยมันเริ่มไม่พราแล้วหนังที่สรุกฮืนเต้นแอคชั่นดูครั้งแรกก็สนุกแต่ถ้าดูไปสิบครั้งเนี่ยมันเริ่มไม่สนุกแล้ว อันนี้เราความสุขชนิดอื่นด้นความสุขที่เกิดจาการความตื่นเต้นความสุที่เกิดจากเพศสัมผัสพอมันพอเสบ่อยเสบ่อยสจบยเนี่ยจะเกิดความเบื่อขึ้นมาต้องการความแปลกใหม่ต้องการของใหม่ก็ทำให้ต้องติ้นรนแสวงหาไม่มีวาตทุหมดสิ้น ถึงความสุดที่ไม่เคยทําให้คนเนี่ยรู้จักพอความสุกดิ์เช่นรรมะู้มาทั้งหมดเนี่ยนะถางพระถามพระเยกว่าการมาสุดนะการมาสุดก็คือสุขที่เกิดจากรูปรืป่นเสียงสัมผัสนะที่น่าพอใจมาเป็นสิ่อที่คนสร้หาแต่มันไม่เคยทําให้คนเนี่ยรู้สึกถึงพอใจเสียที มีเงินแสนขั้นได้เงินล้านขั้นได้เงินล้านก็อยากได้ห้าล้านขั้นได้ห้าล้าน 5, 000, แล้วก็ยังอยากได้สิบนละ้านมีสิบล้านแล้วในสุดก็อยากได้รนะ้อล้านมันไม่เคยทําให้เรารู้สึกเต็มอีกได้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าอยางได้ไม่พอเพราะรู้สึกว่าได้น้อยไป มีเพื่อตอมาคนหนึ่งเป็นนักเล่นพุดนแต่ก่อนนี่ก็เล่นพุ้นเป็นประจำ ต, ตอนหลังก็เลิกไปเพราะเห็นผลว่าที่เล่นพุ่นเนี่ยพขาอยากได้เงินแต่ตอนหลังก็ไม่คิดดูว่าระหว่างเงินกับความสุขเนี่ยเขาจะเลือกอะไรพอกขาตรดสินใจเขาเลือก ความสุ ข, ขก็เลิกเล่นหุ้นก็บอกว่าเล่นหุ้นเนี่ ย, ยมันได้เง่นกะ็จริงแต่ไม่ได้ความสุขพอได้เงนินถึงจุดมันก็บอกว่าต้องเขาความสุขดีกวา่าแต่ประเด็นที่จะเล่านี่ไม่ใช่เรื่องนี้ก็พูดว่าเคยเจอคุณต้าคนหนึง่งที่ตลาดหุ้นคุณต้านี่เขาเล่นหุ้นทุกวนัน ไปตลาดหุน้นเป็นประ จ, จําวันหนึ่งพอตามเจอคุณป้าคุณป้าก็เล่า ว, ว่าเพิ่งขายเพิ่งไปตัวหนึ่งรักใหญ่เลยได้ประมาสิบล้านบาทเพื่อตมาเขาเลยบอกว่าแสงความยินดีกบคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะเลยกำลังถ้าฉันขายเพิ่งวันนี้ฉันได้กำไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านคุณป้าไม่มีความสุขนะ พอรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกวนะ่านั้นคือยี่สิบล้านว่าลุงคือปุ้ป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนทมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าปุ้ป้าหายไปไหนเะพรปกติแกมาทุกวันก็ได้ทราบว่าคุ้ป้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วข้าวข้ออะไรเได้แค่สิบล้านนะในความสุขเนี่ย ที่เกิดจากสิ่งเราความสุขที่เราเรียกว่าการมีสุขเนี่ยมันไม่เคยทำให้เรารู้จักพอสักทีได้แล้วก็อยากได้อีกได้ขนาดก็ยังรู้สึกว่าได้ไม่พอเพราะนี้ผูมานานเนี่ยนะก็เพื่อที่จะบอกว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ มันจะตรงข้ามกันเลยเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขเพะเภแรกเนี่ยมันต้องรับจิตกระตุ้นใจนั่นถึงที่มีความเพลิดเพลินได้อีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันทําหน้าที่ตรงข้ามก็คือมันทาให้ใจสงบใจยิ่งสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเข้าถึงความสุขชนิดนี้มากเท่านั้น คนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักแต่ความสุขชนิดแรกและไม่รู้จักความสุขชนิดที่สองเนี่ยนะก็จะต้องดิ้นรนสวยงาอยู่เรื่อยไปไม่จบสักทีแต่เมื่อกามที่เรารู้จักความสุขชนิดที่สองเนี่ยในทางมันเกิดความเต็มอิ่ พูะจาตรัสว่าสุขอื่นนี่กัความสงบไม่มีความสุ ข, ค ว, สขความสุขชนิดนี้ที่เรียกว่าความสงบเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่เป็นแกนแท้ของชีวิตความสุขประเภทแรกมันดินรนกระตุ้นให้เราต้องวิ่งต้องแสวงหาไม่รู้จบ แต่ความสุขชนิดสองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้จักสงบนิ่งได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะไม่ต้องเปลี่ยนที่ไม่ต้องเปลี่ยนบรรยากาศไม่อเปลี่ยนของกินไม่ต้องเปลี่ยนเสือ้อให้มันใหม่เสมอต่างแฟชั่นก็มีความสุขได้มันมีเรื่องเล่านะที่จากจื่อเขานะ เคยนำมาเล่าเป็นนิทานจางเจือเนยปปราดจีนหลังเหล่าจือประมาณสามสี่รอยปีเหลเจือเนี่เป็นเป็นผู้ให้กาเนิด น, นะลัทธิเตา่านะร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าจางเจือนี่เป็นรุ่นหลังเป็นปราชญ์ที่เอาเรื่องลึกซึ้งเนี่ยมาเล่าเป็นนิทาน าการที่เราว่าพิชายคนหนึ่งเนี่ยลาคาญเงาของตัวแล้วก็รอยเท้าพยายามที่จะวิ่งหนีเงาและพยายามที่จะห่างไกลรอยเท้าของตัวเขาวิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่เนี่ยเงาก็ตามเข้าไปรอยเท้าก็ตามติดๆเขาคิดว่าเขาวิ่งเร็วไม่พอ ก็เลยวิ่งสปิดเร็วรเดเิขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่งานพยายางตาเขาไปอยู่เขาวิ่งจนสุด ข, ขอดฟ้าเพื่อมหนีงอไม่พ้นรอยท้าพยายามตามเขาไปเขาวิ่งจนตายอาจารย์พูดก็พูดว่าเขาหารู้ไม่ว่าเพียงแต่อยู่นั่งนิ่ง ใต้ร่มเงาใต้ร่มไม้เงาของข้าก็จะหายไปรองเท้ารอยเท้าก็จะไม่ปรากฏนี่ถามสักกคงจงจื้อต้องการบอกอะไรคนจำนวนมากเนี่ยนะต้องการหลีความทุกข์แต่วิธีการหลีความทุกข์คนส่วนใหญ่ก็คือว่าพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้า เราคิดว่าถ้าหาว่าคนหาพบเนี่ยให้ความทุกข์ก็จะหมดไปแต่ที่จริงความทุกข์เนี่ยมันแอกไปได้ง่ายเพีงแต่เราอยู่นิ่งๆอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ร่มเงาต้นไม้นี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนกับร่มเงาแห่งธรรมะ หยือแสงหาก็าจะพบกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จิตใจบหย ห, หานั่นคือความสงบแต่นี้ความสงบเนี่ยเราจะพบเราจะพบได้อย่างไรความสงบหลายคน คิดว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือว่าเด็กเล้นไปอยู่ในป่าที่ไม่มีเสียงหรือทึกงคลุโครงเราจะพบกับความสงบใจได้แต่เราคิดว่าพบว่าแม้จะอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงดังมารบกวน แต่ว่าใจก็ไม่สงบแม้ไปอยู่ในป่าไม่มีเสียงรถยนตะ์ไม่มีเสียงรถงกระทึกมากระทบหูก็ยังหาความสงบไม่ได้เพราะอะไรเ็ราใจยังคิดนอนคิดนิ่งนะใจยังคิดสารพัดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงงานการ ร่างกาสงบนะักแต่ใจไม่สงบจางใ้ที่ใจเนี่ยนะมันมีเสียงนะดังอยู่ในหัวตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักกับความสุขชนิดที่สองได้เราต้องทำให้ใจเนี่ยนะนะนสงบ เรืที่ความสงบใจเนี่ยนะในด้านนึงก็ต้อง อ, งอาศัยสถานที่นะอาศัยสถานที่แต่ว่าสถานที่ยังเย็นไม่พอมันก็มีส่งนอีกเข้ามาประกอบ ด, ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยความสงบมันมีสองแบบนะความสงบแบบแรกเนี่ยคือความสงบที่เกิดจากการที่ไม่รับรู้อะไร ไม่รับรู้ทางตาไม่รับรู้ทางหูนะรวมทั้งไม่มีการรับรู้ทางกลิ่นทางจมูกหลายคนเนี่ยอยากจะได้ความสงบก็เลยปนะีกเล่นไปอยู่ป่าหรือว่าไปอยู่ในห้องพระไปอยู่ท้าการธรรมชาติถ้านั้นไม่พอนะ ก็ต้องปิดโทรศัพท์เพราะว่าถ้า ม, มีเสียงโทรศัพท์เข้ามามีข้อมูลข่าวสารเข้ามาก็จะทำให้ใจเนี่ยไม่สงบปิดโทรศัศน์นะรวมทั้งไม่เจอผู้คนถ้าไม่พอก็ต้องปิดตาด้วยหลับตา เื่อจะได้ไม่ต้องเห็นภาพที่จะมาทำให้ใจกระเพื่อมหลายคนก็คิดว่าเท่านี้ไม่เพียงพอก็ต้องพยายามที่บังคับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับเท้าอที่กำลังก้าวเพราะถ้าบังคับจิตให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่คิดฟุง้งก็เป็นความสงบได้เหมือนกัน อันนี้เป็นความสงบที่กิจา ก, การไม่รู้หรือจัดการรับรู้หลายคนเนี่ยอยากได้ความสงบก็พยายามที่จะจัดการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นทางสัมผัสรวมันงทางใจด้วยก็มีวิธีการฝนะึกสมาธิหลายอย่าง ที่ทำให้เราได้พบกับความสงบชนิดนี้ความไม่รับรู้อะไรความไม่เห็นสิ่งที่มาขัดเครื่องใจไม่มีเสียงมากระทบหูไม่มีข้อมูลข่าวสารทำให้จิตใจว้าวุ่นรวมทั้งไม่มีงานการที่ทำให้จิตใจตัวเพื่มก็สงบได้ เดี๋ยวนี้ความสงบชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานใช้ความคิดคนที่อยู่ในเมืองในบริการในยุโรปเนี่ยคนที่ทำงานเนีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดเนี่ยเขาขันข้อหาความสงบชนิดนี้มากขึ้นคือเข้ามาสู่การากสมาธิภาวนา คือมันช่วยทำให้จิตใจได้พักผ่อนแล้วทำให้เกิดความอิ่มเ อ, อิบภายในในเมืองไทยก็มีคนมาแสวสงหาความสงบชนิดนี้มากขึ้นจากการเข้าคอสปฏิตปธรรมจากการทำสมาธิภาวนาจากความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้อะไรหรือความสงบที่เกิดจากที่เกิดจากการลัดการรับรู้เนี่ย มันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าพอเราออกไปเจอผู้คนไปเห็นรูปไปเห็นภาพไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆใจก็กรเพื่อมมาเปิดโทรทัศน์เห็นข่าวสารบ้านเมืองก็เกิดความหงุดหงิดเกิด ค, ความไม่ปรใจ เป็นความสงบที่ชั่วคราวซึกทำให้หลายคนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเจอโลคภายนอกนะพอเจอความสงบที่ไม่รับรู้อะไรแล้วใจเคลิบใจสบายก็อยากจะเยืองนนะั้นเน่ยไม่อยากไปเจอผู้คนบางทีมีงานการก็ไม่อยากจะทำเพราะทำแล้วเนี่ยใ จ, ใจไม่สงบอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ คนที่พึงพอใจกับความสุขชนิดนี้พึงพอใจกับความสงบที่ไม่รับรู้อะไรเลยมีผู้ชายคนหนึ่งแกไปนั่งทำจเจริญทาสมาธิภาวนาที่สมาคมแห่งหนึ่งนะก็มีการจัดปฏิบัติธรรมทั้งวันเลย ก็มีห้องแอร์ให้ปฏิบัติได้อย่างสบายคนที่เข้ามาปฏิบัติก็ต่างคนต่างก็ตั้งใจปฏิบัติไม่พูดไม่คุยไม่ส่งเสียง อ, อะไรผู้ชายนม่แกก็ปฏิบัติแล้วใจก็สงบพอตอนเย็นนะกลับบ้านแกก็เดินไปที่รถแต่พอเห็นรถของตัวเนี่ย ออกไม่ได้เพราะมีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนแกโมโหมากเลยนะแกก็ตะโกนด่าเลยคนที่อยู่ใกล้ๆก็แปลกใจทำไมทำสมาธิแล้วเนี่ยเพิ่งทำสมาธิจบจบแต่ทำไมถึงอารมณ์ร้อนแบบนี้อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนที่ พึงพอใจในความสงบเช่นทีที่ตัดการรับรู้นะคือพอไม่รับรู้อะไรใจก็สงบนะแต่พอมาเจอภาพที่ไม่น่าพึงพอใจก็เกิดความขุ่นเคืองหรืออาจจะถึงขั้นบันดาลโทสะอารมณ์มันเกิดขึ้นอย่างพุ่งพรวดแล้วก็ไม่รู้ทันก็เลยเผลอดา่าไปเผลอกับคำรุษวาตไป อันนี้เพราะว่าไม่รู้จักความสงบอีกชนิดหนึ่งนะความสงบชนิดหนึ่งเนี่ยรียกว่าความสงบที่เกิดจากการรับรู้หรือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้แม้จากรับรู้ทางตาทางหูทางจมูทางลิ้ทางกายแต่ว่าใจก็สงบได้มีภาพมากระทบตา ใจก็สงบได้มีเสียงกระทบหูใจก็สงบได้สงบได้เพราะอะไรเพราะว่ารู้ทันความคิดและอารมที่เกิดขึ้นความสงบแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องนะกับโลกบางทีการที่จะเปลี่ยตัวิองเล่นทำได้ยาก จากฐาที่เราอยู่ท่ามกลางโลกอยู่ท่านกลางผู้คนเนี่ยแม้เสียงรื้อฉุกจะดังอย่างไรแต่ใจเราก็สงบได้สงบได้ไม่ใช่เพราะไม่มีเสียงมากระทบสงบได้ไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างเลิศและเพอรแม้รถจะติดแต่จิตไม่ตกไม่หงุดหงิด น, นี้คือสิ่งที่เราทำได้ทำได้เพราะอะไเพราะว่าเรามีสติรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมสงบที่ที่เกิดจากการรู้เนี่ยคือรู้อันนี้คือรู้ใจรู้จในยามที่มันกระเพื่อมในยามที่มันมีอคอาขุ่นเคืองรู้เรื่องอะไรรู้แต่สติอารมณ์ต่างๆเนี่ย เมื่อมีสติรู้ทันมันเมื่อใดมันก็จะสงบลงการรู้ใจรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เนี่ยนะมันจะช่วยทําให้เราพบกับความสงบแม้จะอยู่ท่ามกลางาผู้คนแม้จะอยู่ท่ามกลางาสิ่งตึกนขึ้นคลุ้มเวลาใจเราไม่สงบเนี่ย หลายคนบ้าโทษว่เป็นเพราะเสียงดังเป็นเพราะผู้คนที่รอบข้าไม่น่ารักเป็นเพราะลูกน้องนะไม่มีความรับผิดชอบเป็นเพราะใครกับใครไม่พูดดีกับเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาดีเนี่ยมันเป็นเพราะใจเราต่างหาก มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุดายังมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงปู่บุตายาวโรท่านมรณภาพไป23ปีมาแล้วตอนที่มรณภาพท่านจะายุ100ปีเรื่องนี้เ็ถือด้ประมาสัก50ปีมาแล้วทางท่านใช้เกินให้ไป <c oughs> แล้วนี่มันให้ไปสันเพลนในกรุงเทพ ฉันก็เดินทางจากสิบุโปรีมาจันเพลงเสร็จเจ้าภาพก็เห็นว่าหลวงปูชาานะ่ชราอยากจะให้ท่านพักก่อนก่อนที่จะกลับไปสิงบุปรีสมัยนะ้าสิงบุปร์ถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการคอง า, าคาก็ไม่สะดวกเจ้าภาพก็จัดห้องให้ท่านพักก็มีลูกศิษย์อยู่สีห้าคนมานั่งเป็นเพื่อน เวลารูกศิจะคุยกันก็ก็ะซิบกระซางแต่เงินห้องที่ติด ก, กับห้องของลุงปู่เนี่ยนะมันเป็นเป็นร้านโชว์หวยเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็สวมเกียเก่ยเกลีติมาเวลาเดินเนี่ยเสียงก็ดัง เดียงก็ดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่เนี่ยกำลังจำวัดอยู่รู้สึกก็ไม่พอใจพูดว่านเนี่ย <c oughs> เดินเสียงดังจังไม่เมกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับตาอยู่แต่ท่านได้ยินจังเลยเกยขึ้นมาเ่าๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราคูรไปลองเกี้ยเขาเอง เสียงเกียวไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากการที่ออหัวไปร อ, อ, องเกี้ยวทาไมถึงหัวไปรองเกี้ยวเพราะใจไม่มีสติเมื่อใจไม่มีสติเนี่ยหัวก็กลายเป็นหูหาเรื่องแนะทนที่ใจอยู่ดีๆก็ไปรองเกีย้ยวนะหลายคนไปคิดว่าฉันจะสงกได้ถ้าไม่มีเสิยงเกีย้ยวมารบ ก, กวนแต่ที่จริง เสียงมันจะมาอย่างไรเนี่ยก็สงบได้นะถ้าใจาเรามีสติและหูเราไม่ไปหาเรื่องมีเรื่องคล้ายๆกันนะสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศตึกหลวงพ่อชาสุภัสโตแห่งวัดหนองประพงคราวงนั้นก็มีอาจารย์สุเมโทรหลวงพ่อสุดมทโตไปด้วย นั่นคือเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดป่าจิตวิเวกแล้วก็วัดอมราวดีซึ่งภายร้านของพ่อสมัยโตไปสร้างขึง้นแล้วก็เป็นเจ้าวาาตอนนั้นเจ้าภาพก็ให้ท่านพักอยู่ที่วิหารกลางกลุงรอนตอนช่วยวิหารแฮมสเตตตรงคาวิหารเนี่ยมันมีร้านผับร้านบาตอนเย็นๆ เ, เนี่ย ก็จะมีการเล่นดนตรีมีการร้องรักทำเพลงกันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกักับที่หลวงพ่อเนี่ยพาพระละโยนนั่งสมาธิาการที่พระกาลังนั่งสมาธิก็มีเสียงเพลงดังเข้ามาหลายท่านเนี่ยนั่งไม่เสุขเลยรวมท้้งหลวงพ่อสุริโทรด้องเนะี่ย ต้องบอกว่าเนี่ยเสียงดังยังพอว่านแต่มันร้องไม่เป็นักประรถเลยนี่มันทนไม่ไหวจริงๆนะแต่หลวงพ่อชาย น, านั่งสงบนั่งสงบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอท่านจบท่นานเสร็จก็มีโยมมาหาท่านก็คงเป็นเจ้าภาพนะชาวเ ก, กิด มาขอโทษมาขอโทษหลวงพ่อว่าขอโทษที่เสียงดังมารบ ก, กวนหลวง่ท่านตอบว่าดยมไปคิดว่าเสียงมารบ ก, กวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไ ป, ปรบ ก, กวนเสียงนะเข้าใจไหมเป็นพราะเราไ ป, ปรบ ก, กวนเสียงเนี่ยเราถึงมีความทุกนะข์หลวงพ่อรัเกียร์บอกว่าเป็นพรใจเนี่ยใจไปต่อร้อต่อเสียงก็เสียง ก็ท่าที่หลวงปู่บุตรบเนี่ยโหเอบาบทไปลองเกี้ยเสียงเกี้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่มีสติเสียงเพลงไม่ใช่ปัญหาปัญหาเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยไปต่อร้อนต่อเถียนกับเสียงนะั้นก็คือใจไม่มีสตินั่นเองฉะนั้นถ้าเกว่าเราทําใจให้มีสตินี่นะ เียมาจังใจยังไงเนี่ยพอใจกับเพื่อนเราก็รู้ทันแล้วเราก็วางมาลงได้สติเนี่ยนะช่วยทําให้ใจเราสงบได้แม้จะรับรู้มีเสียงต่อว่าดาทอมกระทบหูใจกับเพื่อนก็รู้ทันแล้วก็วางมาลงได้ นอกจากสติแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่สำคัญนะก็คือปัญญานะเสียงไม่รบกวนเรานะเราไมรบกวนเสียงธรรมาชาติของใจเนี่ยเวลาเราไม่ชอบอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกลบกับน แล้วเราก็พยายามผักสายมันยิ่งผักสายมันเท่าไหร่เนี่ยใจเราก็ยิ่งจดจอ่อยิ่งยึดติดบางทีเสียงเนี่ยเสียงก็เบาๆนะแต่พอเราไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยใจเราไปจดจ่อที่เสียงนั้นเราอยากให้เสียงมาสงบแต่เสียงก็ไม่ยังแม่งงยัไม่ไมงไมสงบเสียงยังดังเราก็ยิ่งขัดเคืองใจยิ่งขัดเคืองใจก็ยิ่งอยากจะผักสายมัน ยิ่อยากักสายใจแร้วยิ่งยึดติดพอยึดติดยิ่งจดจ่อเนี่ยเสียงก็จะดังขึ้นดังขึ้นดงันดงขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราจนกระทั่งมันปลดเสียงมันอัตมาไปเลยเสียงอัตมาทีิเนี่ยดังกว่เสียงเสียงโทรศัพท์หรือเสียงกระซิบที่อยู่ข้างหังแต่พอใจเราไปจดจออ่อเสียงแล้วเนี่ยเสียงมันจะดังจนทั่งไม่ได้ยินเสียงมันจากอัตมา ก็ยิ่งหยุดติดยิ่งไม่พอใจมากขึ้นแต่ถ้าเราพิจารณาดูเราจะพบว่าอ๋อเป็นเพราะใจเราจะเราไปจดจอที่เสียงนั้นใจเราไปผักสายเสียงนั้นยิ่งผักสายยิ่งยึดติดเราปวดใครเราไม่ชอบใครเนี่ยเราก็ยิ่งจดจอยิ่งนึกถึงคนคนนั้น คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไมถึงเขาซ้าแล้วซ้ำเลองเพราะเราไม่ชอบเราจึงยึดติดสมมติมือเราเนี่ยนะไปถูกกระปิปล า, ราหรือนิ้วเราเนี่ยไปถูกน้ําปลามันเหม็นเราไม่ชอบ เราก็าเลยล้างดูง้ล้างมือล้างเสร็จล้วทำไงเอามาโดนยังมีเกลนอยู่ไม่ชอบก็ล้างเช็ดแล้วก็เอามาตดนยิ่งไม่ชอบยิ่งต้องยิ่งโดนะนี่เรียว่ายิ่งยึดติดยิ่งผักใสยปัญหารจริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เกิด แต่มันเป็นเพราะใจเราไม่ชอบลิเนี่ยนะมันไม่ชอบกับปิถ้าเกิดลีเนี่ยมันมือมันถูกกับปิเมื่อไหร่นะมันทําไงมันก็จะมือเอานิ้วเนี่ยถูกับพื้นถูกับเปลือกไม้ถูกับหินแล้วถ้ากินยังอยู่นะมันก็ยังถูกไปเรื่อยๆถูจนมือถลอกจนนิ้วเป็นแผล ถ้ากิดนยังไม่หาเที่ถูอีกจนแผลบเวอร์เลือนไหลคำถามคือนิ้วลิงเนี่ยเป็นแผลมีเลือดไหลเวอร์หวะเนี่ยเพราะอะไรถ้าตอบว่ากะปิไม่ใช่นะคำตอบที่ถูคือความเกลืนดกัะปิดกะปิไม่ทำให้ลิงเลือนไหล แต่ความเกียจกิียดต่างหากที่ทําให้ลิงเนี่ยนะมันเป็นแผลเวอรวัดแต่ลิงมันไม่มีสติมันไม่มีทางที่จะรู้ทันว่าเป็นเพราะความเกียจกลียดทำให้มือมันมีแผลแต่คนรังมีสตินะเวลารถรถติดเนี่ยนะหลายคนมีมจิตตก ถามาทำไมจตกหลร้านจะบอกว่ารถติดแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะใจเราเนี่ยใจที่ไม่ชอบรถติดทำไมทำไมใจไม่ชอบเพราะอยากจะให้รถไปถึงที่หมายไ ว, ไวพออยากให้รถถึงที่หมายไ ว, ไวเนี่ยแล้วรถติดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเป็นรถกับ ภาวะานั้นทันทีแล้วก็จะเป็นทุกข์บางคนเนี่ยมุ่งิตเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ้าติดแบบนี้จะไปถึงที่ทำ ง, งานช้าจะผิดนัดไปประชุมไม่ทันตกเครื่องบินถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดต่มโนไปแล้วนึกไปแล้ว ให้ความคิดอย่างที่ตงางฐานที่มาทําให้บุดิดเวลารถติดแต่รู้าเกว่าเราไม่มีความเร่งรีบจะไปจะเดินทางหรือว่าใจเราเนี่ยไม่ปล่อยให้ไปฟู้ปรุงแต่งอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยใจไม่บุดหิดนะรถติดจิตก็ยังสงบได้สงบได้เพราะอะไพรามีสติรู้ทันใจที่มันกระเพื่อม รู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งไปล่วงหน้าพอรู้นี่นะความคิดมันก็จะสงบความฟุ้งซ่านก็จะบรรเทาพอเรารู้จวจใจเราไม่ชอบใจเรากาลัลางงุดหงิดกับความร้เติดเนี่ยพอรรู้ทันนะใจจะเริ่มกลับเป็นกลางความมุดหงิดกระสับ ก, กสายก็จะหายไป รถยังติดอยู่แต่ใจสงบละใจเป็นปกติละ่ะเพราะอะไรเพราะมีสติ ต, ตาก็ยังเห็นนะว่ารถเนี่ยมันติดยาวแบบนพื้นแต่ใจสงบอันนี้เรียกว่าสงบทั้งทั้งที่ทรู้จะต้องที่รู้ว่าโอ้รถติดยาวเลยแต่สงบเพราะใจมีสติ นอกจากสติแล้วเนี่ยนะอีกสื่หนึ่งที่ช่วยทำให้ใจสงบได้ก็คือปัญญาปัญญาอย่างเช่นเราเห็นเรามเราเข้าใจนะเรารับรู้ว่าเออมาเป็นธรรมดาลถติ ก, ก, ก็เป็นธรรมดาเจ็บปวด ก, ก็เป็นธรรมดา หลายคนพอเจ็บป่วยเนี่ยก็โกรธโกระวายแารที่จะป่วยกายเนี่ยก็เลยป่วยใจด้วยจิตใจไม่สงบจิตใจว้าวุ่นเมื่อเราพบว่าเกวเอเจ็บป่วยอย่าไปโทษโรคภัยใค่เจ็บนะแต่เป็นต้องไปโทษที่ใจเราเพราะตอนนั้นใจนมันบ่นโวยวายีโพยที่พายทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้น ที่เรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาใครๆเขาก็ปวดเจ็บป่วยกันแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นเราจะถามใหม่ว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างฉันก็ที่ป่วยเป็นมะเร็งก็มีไม่น้อยพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าทุกต้องรู้จักคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็ง อาจจะรู้จักอย่างน้อยหึ่งคนที่ตายเพราะมะเร็งอาจจะมีญาติมีเพื่อนมีผู้อาวผู้ใหญ่นะที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งหรือมีเพื่อนร่วมงานที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นมะเร็งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเฉลิ่ความเป็นธรรมดาของการเจ็บป่วยเนี่ยใจมันยอมรับได้ พอใจยอรับได้จาก็สงบเป็นความสงบที่เกิดขึ้นทนั้งที่ป่วยกายนะารที่มีปัญญาเห็นว่าสังขารร่างกายเนี่ยรวมทั้งสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทำให้ใจงสงบได้เมื่อมีความพลิกผันเกิดขึ้น มีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็เคราะหามยามร้าย เ, าเ็าบอกว่าไฟฟ้าแหลกสูงเนี่ยมันไปมันไปชอนะ็อตนที่ขาต้องผ่าตาดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งเขาไป มันเหมือนข้อซ้ำคำสัตว์นะเสียขาแล้วก็ยังเสียภรรยาก็มีคนไปถามเพราะว่าคุณรู้สึกอย่างไงที่ภรรยาทิ้งคุณไปแก ต, ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูสิแม้แต่ขาทั้งสองข้างตอนนี้นไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เนียอยู่กับผมได้ยางไงนะแกไม่ทุกข์นะใจแกสงกนะเมื่อ ถูกภรรยาทิ้งทำไมเพรได้เห็นความจริงจากอุปติเหตุว่าแม้แต่ขาเนี่ยซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยวันดีคืนดีมันก็ทิ้งเราไปไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว พอมีปัญญาเห็นแบบนี้นะเมื่อภรรยาทิ้งไปใจเขายัางสงบไดนะ้ไม่ว้าวุ่นไม่โกรธ น, นะไม่น้อเนื้อต่ำใจไม่กลดดาชตา ก, กรรมนะนี่เรียกว่าสงบเพราะรู้นะคือรู้ความจริงของชีวิตนะถ้าเรารู้ว่าคาต่อว่าดาทอเนี่ย มาเป็นธรรมดาโลกถูกต่อว่าดาทอถูกนินทายังไงใจเรา ก, ก็สงบได้ถ้าเรารู้ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเราหมดมันก็มีบางคนที่ไม่ชอบเรามีบางคนที่เข้าใจเราผิดไม่มีทางที่ทุกคนในโลกนี้จะชอบเราหมด จะเข้อใจเราถูกทุกคนพอแม่แต่พระพุทธเจ้าก็ยังสุดนินทาถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายว่าไปไปฆ่าผู้หญิงนะหรือว่าไปมีเมียบาคนก็เชื่อนะตอนที่นางสุนทรีเนี่ย ถูก่าก็มีข่าวลือว่ามีการใส่ร้ายว่าผู้จ้าเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าผู้คนในสาวัตถีก็เชื่อทั้งเมืองทั้งที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันเนี่ยนานที่สุดแสดงทำให้คนสาวัตถีฟังเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกับกี่ครั้ง แต่พอมีคนใส่ร้ายคนสาวถีก็เชื่อแล้พระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะในสุดความจริงก็ปรากฏแล้พผู้เจ้าี่เป็นตัวอย่างคนที่แม้ว่าจะมีความดีพร้อมแต่ว่าคนที่เข้าใจผิดเข้าใจผิดก็มีไม่น้อย คนที่ใส่ร้ายจนถึงขัน้นมุ่งร้ายเอาชีวิตก็ยังมีแล้วเรา่ะซึ่งเป็นปุตุชนธรรมดาเนี่ยถ้ามีคนไม่ชอบเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีคนเข้าใจเราผิดมันก็เป็นธรรมดาถ้ามีคนไม่กดไลค์ก็เป็นธรรมดานะแต่เดี๋ยวนี้พอมีคนไม่กดไลค์เยอะมากเลยนะ พอเป็นคนไม่กดดันไม่พอเปนคอมเมนต์อีกนะเขนี่พราไม่เข้าใจไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นธรรมดาพอเราโเป็นธรรมดาใจเราสงบเลยนะ <c oughs> มีเสียงดา่ามากระทบหูใจก็ไปปกติได้พอโลดเป็นธรรมดาหรืออาจจะอาจจะเห็นว่าเออมันก็ดีนะ ช่อฝึกใจเราได้สมัยที่หลวงปูะะ่ขาวนาเรโยวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวัดท่านกองเพลนมีแม่ชีท่านหนึ่งชื่อแม่ชีสาเป็นแม่ชีที่นขนควายใส่ใจเรื่องการดูแลพระเนรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเลยโดยหลวงปู่หลวงปู่ขาวเนี่ยก็ชม ตนนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งให้พระสองรูปไปรู้สึกไปด่าไม่ศิชาทั้งสองรูปนั้นก็งงนะแต่ว่าหลวงพ่อสั่งก็ไปไปที่กุฏิก็ไปด่าดูด่าหาถ้อยคำมาดูดาว่ากลับวไม่ฉิชาไม่ฉิสารทีแรกก็งงแต่พอตั้งสติได้ก็พนมมือฟัง ทั้งสองท่าน ด, าด่าเดยไม่รู้จะด่าอะไรแล้วก็เลยหยุดแม่ชีสาวาที่จะโกรธอาจที่จะน้อยเนี้อตัำใจว่าโอ้ฉันถึกษาดูแลพระศีลฉันก็ไม่ปกคล้องทำไมครูบาอาจารย์มาพูดกับฉันอย่างนี้ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีแล้วเ้าคนอื่นรู้ว่าฉันถูกครูบาอาจารย์ด่านี่ฉันจะนาไปสซฟ็อตไหนแีสานี่มีความคิดแบบ น, นี้เลยฉันก็พูดขึ้นมาว่าตระก ดูตาเสร็แล้วเหรอดิฉันฟังแลทราบซึกใจเหลือเกินเสียงด่าเนี่ยเป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่มันมาดูด่าใหมนะกิเลสของดิฉันไม่จะได้หมดสักทีหลายคนมกักจะพูดว่าทุกโกรธเพรถูกดา่าที่จริงไม่ใช่หรอกเสียงด่าไม่ทําให้เราโกรธไม่ทําให้เราทุกข์ แต่พเพระาวาังใจไม่เป็นเป็นเพราะเรายึดติดถือมั่นในหน้าตาในชื่อเสียงในรักภาพละหรือเพื่อคืยึดติดในตัวกูของกูคื่งที่จริงก็เป็นธรรมดานะแต่เวลาจาันกระเพื่อมใจาันโกรธเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้ทันและเป็นเพราะเราไม่มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดา แม่ชีสาเนี่ยนะท่านมีปัญญาเห็นรู้ว่าคำดูดาว่ากาเป็นธรรมดาแล้ท่านเห็นก็ตอไปด้วยว่าท่านเห็นตอไปด้วยว่าเออมันมีประโยชน์นะช่วยคูดช่วยลดละตามตัวตนได้เฉนั้นท่านก็ใจสงบท่านไม่ทุกร้อนอะไรเป็นตัวอย่างว่าคำดูดาว่ากาไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจไม่เป็นพอระวางใจเป็นถูก พอระวังใจเป็นระวังใจทูกนะไม่ทุกข์หรอกแถมยิ่ดีได้ซ้ำที่ถูก ด, ด่านะจะป่วยนะใจก็สงบได้ไม่ใช่สงบเพียงเพราะว่ามีสตริรู้ทันความขุ่นบัวความท้อแท้รู้ทัน ใจที่มันบน่นโวยวายตีโวยตีพาเท่านั้นแต่ยังสามารถสงบได้เพราะมีปัญญาเห็นว่ากายป่วยก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เราป่วยมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีเราที่ป่วยมัน ม, มีแต่กายที่ป่วยตอนที่หลวงปู่บุตายังไปผ่าเอานิ้วนะออกเนี่ย ตมันั้นเนี่ยมันไม่มีขค้ื่ศงอุปทานตองใช้วิธีการผ่าผ่าเสร็จไม่ถึงสิบห้านาทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขาอย่ชั่วแล้วคือท่านจะกลับว่าหมอเพียรรังก็แปลกใจเพราะว่าคนที่ผ่านมอกับท่านเนี่ยเขายังบอกว่าปวดเลยแต่รับปวดเนี่ ย, ยกลับไม่สาการปวด ก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอทำไงถึงไม่ปวดหลวงปู่ตอบว่าปวดเสียทำไมไม่ปวดร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปไะแต่ใจมันไม่ได้ปวดไปกับร่างกายความปวดจึงมีอยู่แต่ใจสงบทุกเวทนาบีบคั้นกาย แต่ใ จ, ใจสงบได้เพราะอะไรเพราะหลวปุตรธมีปัญญาเห็นว่าไอ้ที่ปวดเนี่ยมันเป็นกายปวดมันไม่ใช่กูปวดมันไม่ใชตัวกูเป็นผู้ปวดคนธรรมดาในวลาปวดเนี่ยนะแทนที่จะเห็นว่ากายปวดเนี่ยมันมีความสำคัญบ้านหมายขึ้นมาว่ากูปวดกูปวดต่วนี้เราที่ทําให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์ กระสับกษาทุรทุรายแต่หลวงปู่ถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวกูตัวกูเป็นสิ่งที่ปลุมแต่งขึ้นมาเพราะถ้ามีปัญญาเห็นตรงนี้อเรลากายปวดเนี่ยใจมันก็มันไปยึดมันสองคมายว่ากูปวดมันไม่มีผู้ปวดะมันมีร่ารกายปวดเฉยๆอันนี้เป็นความจริงขั้นขั้นพื้นฐานนะว่า มันไม่มีรา ม, ม, มีของเรามีแต่กายกับใจมันไม่มีตัวกูของกูแต่เป็นเพอเราไปยึดเป็นเพราะเราไปหลงว่า ม, มีตัวกูของกูถึงทุกอันนี้เรีว่าสงบได้เพราะปัญญานะปัญญาคือการเข้าใจความจริงพอเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยนะเห็นความจริงแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับกายอะไรเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของก็ไม่ถูกแต่ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีปัญญาถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่เราทาได้คือการมีสติมีสติรู้ทันเวลาใจมันเกิดความกระสับ ก, กระส่ายรู้ใจเวลามัน บ, นบ่นวอยว่าตีพอยตีพายเวลามารู้สึกร้วกับสิ่งต่างๆ รู้ทันนั้นเวลาใจปล่อยหัวไปหลอกเกีย้ยหรือว่าไปต่อแล้วต่อเทก็เสียงที่เกิดขึ้นนันถ่ถ้าเราถ้าเรามีสติและปัญญาเนี่ยอย่างที่าอาจารย์พูดมาเนี่ยเราก็ยังก็สามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ได้ต้องสงบเวลาอยู่ในห้องพระอยู่ในห้องที่ติดแอร์ไม่ได้ต้องจะต้องสงบเวลาไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมแต่ว่าอยู่ที่บ้านใจก็สงบได้อยู่ที่ทํางานใจก็สงบได้สามารถจะสงบได้ทุกแห่งเป็นสุขได้ทุกที่ แล้วก็สมบได้ในทุกสถานการณ์ไม่เฉพาะในยาที่ชีอเป็นปกติแต่เวลาเจ็บปวยเวลาถูกต่อว่าอย่าทอเวลาเจอความสูญเสียพลาพราใจก็สมบได้ในสารพัการเนี่ยมีมีเสนาบดีคนหนึ่งนะ ของพระ้าเกษตรกซสนเซกก น, นารบดีเนี่ยนะมีภรรยาชื่อนางบดีกานางบดีกามีลูกอยู่สามสิบสองคนเป็นแปดสิบคู่นะแล้วก็เก่งในการลบทั้งคู่เลยน้กเสนาบ น, า น, นีนี่ก็เป็น คู่ใจของพระเจ้าเปรติโกศลแต่ว่าพระเจ้าเปรติโกศลหูเบามีคนเป่าหูว่าเพื่อรักคนเนี่ยกับลูกเนี่ยคิดล้ายพระเจ้าเปรติโกศลเชื่อก็เลยมีแผนรัวให้ออกไปทําสึกสงครามในชายแดน แล้วก็มีกองกำลังเนี่ยซุ่มโจมตีตายหมดเลยนะทั้งเสนาบดีแล้วก็ลูกศิษย์อ2คนข่าวเนี่ยมาถึงตอนที่นาบริกาเนี่ยกำลังเลี้ยงพระ <c oughs> <c oughs> อ่า ในในบูพระเนี่ยในบุพระที่มาที่ถวายเนี่ยก็มีพระสารีบุตรด้วยเป็นประธานของธณะสงฆ์ขณะที่นางบริกานะก็ประเคนขอถวายพระก็มีคนยื่นจดหมายให้แจ้งว่าสามีแล้วก็ลูกชายของเธอตาหมดแล้วเธออ่านเธอก็ สงแล้วก็จกหมายน้อยเนี่ยเก็บไปในชายปกแล้วก็ถวายอ่างข้านะถวายอาหารเนี่ยให้กับพระสัรเบุตรตอนที่ถวายเนี่ยคนใช้คือนางทาสีเนี่ยทำาการใส่เนตกแต่ต่อหน้าพระสัรเบุตร ต่อหน้านางบริก า, <c oughs> ารพระชายาบุตรก็เลยพูดขึ้นมาว่าของที่มันแตกแล้วเนี่ยของที่มันแตกได้มันก็แตกแล้วอย่าไปเสียใจอะไรพูดอย่างนี้เพื่อให้นางบริการนี่ทาใจนางบริกาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้ข่าวว่าสามีและลูกตายหมดเลยดิฉันจะไม่เสียใจอะไรเลยนะ น้ภาษาใสกับจานถาสายเนยที่ตกแต่งนี่เป็นตัวอย่างคนที่เข้าถึงธรรมนยะพอเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยใจก็สงบได้แม้ว่าจะสูญเสียพลาดพลาทุกคนเลย <c oughs> นี่แหละที่จะมาเลือกเป็นความสงบเพราะรู้รู้ความจริง รู้สัจธรรมของชีวิตรู้สัจธรรมของโลกเดี๋ยวไม่คิดว่าเราจะสงบได้ต่อเมื่อทุกอย่างรอบตัวเราเนี่มันราบเรื่องไม่มีเสียงดังไม่มีความรู้สึกคึกโครงชีวิตนี่ราบเรียบเป็นปกติความสงบอยู่ที่ใไม่ได้ที่ว่าเราเจออะไร ไม่ได้ที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม้เหตุการณ์ไม่สงบมาเจอความรุ่นวายงมาเจอความสูญเสียทัางๆเจอความเจ็บป่วยใจก็สงบได้เพราะมีสติเพราะมีปัญญาและความสมุข น, นี้ชนนี้แหละที่ทํทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ประนี้ถ้ามีปัญญาถึงขั้นนะก็เรียกว่า ละวางความยึดติดถือมั่นทั้งปวงได้เมื่อมีปัญญาเห็นเ่าสิ่งทั้งปวงนะมัไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตก็ละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้เมื่อละวางสิ่งทั้งปวงได้เนี่ยกิเลสมันก็ไม่มีที่ตั้งเมื่อกิเลสไม่มีที่ตั้งเนี่ยจิตก็จะเข้าถึงความสวัอย่างแท้จริง นี่และที่เรีิาพ <c oughs> านนิพานเนี่ยเป็นบรมสุขนะิาพา น, นปรนพังสุขขันเป็นความสุขนะที่ประเสริฐที่สุดเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีปัญญาเข้าถึงสัจธรรมจนกระทั่กงกิเลสไม่มีทิฏตา ไม่มีเชื้อให้กเได้เกิดขึ้นได้นั่นเป็นความสงบนะที่ที่เราเนี่ยควรจะใส่ใจนะแล้วก็ควรพยายามไปให้ถึงอารมาการพอสมควรแล้วนะก็ก็หวังว่าจะได้เป็นญนวทางให้กับพวกเราในการปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการเจริญสมาธิภาวนา ไม่ทราบว่าจาก น, นี้จะมีการซักถามห ร, รือเปล่ามี่ไหนอาเชิญอาเ <c oughs> ชิญนะ อาจรยมาประทอค่ะ40ในยูทูบนะแลคนที่ไม่ได้ฝัาอยู่ใกล้ตัวแล้วก็มองเห็นในอนาคตประมาณนึงจะมีกอสร้างนะคะจะช่วยเขายังไรก็ไม่ตัวเองฟังตั้งาจารย์ไม่เปิดเปิดอยู่ในบ้านมเสียงตั้่อจารย์เพราะแค่ทานเขาแ่คนเสียงอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วก็จะพึ่งัทแล้วก็จะคือ ถ้าไปจากเขายอมรับความจริงได้นะถ้ายอมรับมันนีมันคือความจริงที่มันหนีไม่พ้นแล้วก็ปรับใจตัวให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยใจก็สงบความไม่สงบของใจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ใช่พ่ามีสิ่งมา ก, กระทบไม่ใช่ว่าเห็นภาพที่ขัดเคืองใจแต่แต่ เ, เพราะใจเรายอมรับไม่ได้ใจเราเป็นร่อมกับ สิ่งที่เห็นคอนี้เนี่ยของแบบนี้นนต้องฝึกนะต้องฝึกเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยนะฝึกในชีวิตประจำวันฝึกจากเช่นรถติดทำงานใจเราจะจิตไม่ตกได้ใช่ไหมเวลามีเสียงเบาๆมันก็ทบนเช่นเวลามีเสียงดัง เสียงดังในห้องประชุมอย่างเงี้ยทำไมใจจะสงบได้เวลาไม่เสียงคนคุยกันนะเราก็วางเฉยได้พวาเราทำฝึกอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเวลาไปเจอเสียงก่อสร้างนะครมความโคมควา ม, วามอยู่ข้างบ้านเนี่ยมันก็วางใจได้แต่เิอว่า จะให้ไปฝึกใจเนี่ยให้สามารถจะยอมรับกับเสียงโครงความที่มันอยู่ข้างบ้านเ <c oughs> พราะมีการก่อสร้างเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยนะแต่ว่าก็อาตมาเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะมันเรียกว่าปรับตัวปรับใจได้นะธรรมาชาติคนเราเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะ ก็คือว่าความสามารถในการปรับตัวนะเสียงดังๆเนี่ยใหม่ๆนี่มันดั ง, ดงแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเสียงมันจะเบาลงเบาลงคนที่อยูปั้มน้ำมันเนี่ยนะเวลาลงไปปังน้ํามันเนี่ยกรีดมันฉุนนะแต่เคยสังเกตไหมทําไมการนังหนักปังน้ํนา ม, มันเนี่ยก็อยู่ได้เขาไม่รู้สึกว่ามันเหน็ดเลยนะ เขามเหม็นมันเหม็นไม่ไกลิ่นนะความน้ำมันนะแต่คนที่อยู่ไปนานๆเนี่ยเขาคุ้นกับมันเขาเคยมีการมีการทดลองมีการทำวิจัยนะคนที่พิการเนี่ยคนที่คนที่พิการกับคนที่ถูรอตเตอรี่ สองคนเนี่ยเจอสถานการณ์คนเลยตรข้างกันเลยนะคนเป็นถูโรตลี่คนหนึ่งพิการแต่ภายในเวลาสามเดือนนะคนสองคนเนี่ยความรู้สึกเนี่ยนะคล้ายกันเลยความรู้สึกเนี่ยสุขทุกข์นะคนที่พิการสามเดือนเนี่นะใหม่ๆทุกข์มากเแต่ความ คนที่มีการนี่ใหม่ใหม่ทุกมากแต่พอผ่านไปสามเดือนเนี่ยใจเขาเริ่มเป็นปกติไอ้ที่ติดลบเนี่ยนะมันก็จะขึ้นมาเป็นศูนย์อันนี้เปรียบเทียบนะคนที่ถูรัตเตอรี่เนี่ยดีใจเนี่ยใจเป็นบวกผ่านไปสามเดือนมันจะกลับมาสูนยเพาะว่าที่เป็นศูนย์เขาเคยถามสัมภาษณ์สอบถามคนที่ถูกรัตเตอรี่ทั้งสลากเกียรติสลากเปลนแปลง ในบริการเนี่ยเป็นพันคนนะก็ พ, ะพบว่าภายในเวลาหกเดือนเนี่ยเก้าสิบอร์ซนของคนเหล่านี้เนี่ยความรู้สึกจะกลับมาเป็นปกติเหมือนกับก่อนที่จะถูะรัตต์ลความดีใจเนี่ยมันจะดีใจเพียงช่วขราแล้วมันค่อยลดลงลดลงลดลง ความทุกข์ก็เหมือนกันนะคนที่จะป่วยเนี่ยทีรแรกก็อาจจะจิตใจก็ตกต่ำย่ำแย่นะแต่พอพ่าจุดนี้มันค่อยกลับคืนมาสู่ภาวะที่เป็นปกตินั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เสียงโคมนคางคำเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้กจมาทางา น, นนะมันจะคุ้นชินแล้ววันหนึ่งก็จะนอนได้โดยที่เสียงดังแต่ใหม่ๆเนี่ยมันนอนไม่ได้ นอนไม่หลักแต่ปกติเนี่ยเราเราเราไม่จะปล่อยให้ใจเนี่ยมันทำงานตามปกติเราม่จะมีหาเรื่องซ้ำเติมกระตุ้นให้ความโกรธมันเกิดขึ้นจิตก็เลยไม่ค่อยกลับคืนสู่ความเป็นปกติหรือปรับตัวไดไ้ต้องแนะนำนะแนะนาแนะนำเขาเนี่ยว่าอย่าทำร้ายตัวเอง เสียงดังแล้วเนี่ยนะแค่น้ก็พอแรงแล้วนะอย่าไปยึดติดถือมัน่นหรือว่าคิดซ้ำคิดซา ก, กับเสียงนั้นเมื่อกามทีเราปล่อยให้ความกลัวความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจนี่ให้เรารู้ว่านั่นแหละเรากำลังทำรลายตัวเอง <c oughs> เสียงดังทำให้เราทุกไม่ได้นะแต่เพราะเราวางใจผิด นะจะเกิดความทุกข์ในใจอาจารย์ชาติสารลนักผู้ดีนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรือสิ่งใดเนี่ยที่จะมาทําให้เราทุกข์ไดม้มีแต่สิ่งที่มาเชิญมาชวนให้เราทุกข์มีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราไม่พอใจดูที่ว่าเราจะรับคําเชิญคาชวนนั้นไหมถ้าเราทุกข์แปลว่าแปลว่าเรารับคําเชิญเรารับคําชวนนั้น และจะโทษใครใช่ไหมฮะตบมือข้างเ ด, ย ด, งนะงเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังไหมครัว่าไงหมายความว่าทําฝ่ายดีจะไม่เกิดผลอันนี้ราเป็นความสุขแลความทุกด้วยความสุขแลความทุกเนี่ยมันย่อมอาศัยมือสองข้างเสียงก่อสร้างเนี่ยนะ มันไม่ทำให้เราทุกข์หรอกจนกว่าใจเราจะยอมใจเราจะเปิดช่องให้มันหรือใจเราไปร่วมมือด้วยนะความทุกข์เนี่ยไม่สามารถจะเกิด ข, ขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยภาย น, นอกเท่านั้นเหมือนกับมือข้างเดียวตอยังไงก็ไม่ต่งนะมันต้องมีอีกอันหนึ่งมีมือข้างไปตบด้วย แลมือข้างนั้นก็คือใจของเราเสียงเกีย้ยดังยังไงมันก็ไม่ทําให้เป็นทุกข์จนกว่าเราไปลองเกี้ยนะอันนี้รองให้ยอมลองให้ลองให้เขาพิจารณาลองสังเกตดูนะว่าตบมือเข้างเดียวไม่ดังเสียงมันจะดังยังไงเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์จนกว่าใจเราจะไปร่วมมือหรือไปเปิดช่องให้หรือที่ใช้ภาษาแบบหอจาร์แชซ า, าโรคือ ไปรับคำเชิญไปรับคำชวนนะอาล ะ, ะอละะ่เอะเห็นข้างหลังอีกท่านห น, นึ่งนี่ว่ากเียจาแล้ก็เรจีก็คอยตามปมันมีมันเยอะเรูจตตาไหปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเช่นสาธิตเช่นตอนนี้เนี่ย อารมณ์ปัจจุบันมนีหลายยานะแต่ว่าการที่โยมกําลังฟังธรรมธรรมาเนี่ยเสียงเนะี่เสียงที่โยมได้ยินนั่นแหละเนก็คืออารมณ์ปัจจุบันนะมันคูดง่าคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวเราอยู่ห้องบรรยายอยู่ห้องประชุมใจก็อยู่ห้องประชุมถ้าโยมเนี่ยใจอยู่ห้องประชุมเนี่ย อาตมาพูดอะไรไปก็ได้ยินแต่ถ้าตัวอยู่ที่ห้องบรรยายห้องนี้แต่ว่าใจอยู่ที่อื่นเนี่ยอาตมาพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินนะเสียงเนี่ยคืออารมณ์ปัจจุบันนะอารมณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอิโมชั่นนะแต่หมายถึงว่าอ็อบเจกต์หมายถึงว่าสิ่งที่จิตรับรู้เมือ่อเจ็นผ้าไม่ว่าจเป็นเสียงเมือ่อจะเป็นกลิ่นนะแต่ว่าอย่ายึด อย่ายึดติดผู้เจ้าสอนเนี่ยว่าอย่ายึดติดในอดีตอย่ายึดติดนอนาคตและอย่ายึดติดในปัจจุบันด้วยผู้เจ้าสอนพระนันทียัซึ่งต่อมาจะเป็นพระอรหันต์ว่านะอย่ายึดติดในอารมณ์อย่ายึดติดในอย่ายึดติดข้างหน้าข้างหลังและท้างกลางนะก็คือปล่อยวางอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีต ทั้งี่เป็นอนาคตแล้วก็ปัจจุบันตอนที่ธรรมาบรรยายเนี่ยมันมีเสียงดังโทรศัพท์สมมติถ้ามีเสียงดังจากโทรศัพท์มีเสียงคนกระซิบกันข้างหลังคุยเล่นข้างหลังเนี่ยอันนั้นก็คืออารมณ์ปัจจุบันนะที่มันแทรกเข้ามาถ้ายอมไปยึดติดถือมั่นกับมันเนี่ยก็จะทุกข์ถ้ายอมไปจดจ่อกับมันก็จะมกมิตรต้องวางมันลงเสียงของธรรมาบรรยายโยมก็รู้ ฟังไปแต่ว่าก็จะไปยึดติดถือไม้กับมันจนทั่งลืมเนื้อลึกตัวบางทีเราไปจดจ่ออยู่กับคำัญญาหรือจดจ่อยู่กับเสียงเพลงเราก็ลืมเนื้อลืมตัวได้อันนี้ความปดความเมื่อยก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันมาเป็นความที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะไปยึดติดรับรู้เฉยๆว่าปวดเมื่อยนะ หลวงพ่อขอธรรมาหลวงพ่อคเขียนน่าใช้คำว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความปวดความเมื่อยอย่าเข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะอันนี้ต้องใช้สติเห็นด้วยสตินะการเห็นเนี่ยในที่นี้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยสตกิก็คือรู้ว่ามีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็สักแต่ ว, ว่ารู้ แต่ไม่ถลัมเข้าไปในความปวดความเมื่อยแต่ปกติคนเราเนี่ยถ้า ท, ที่ไม่ชอบความปวดความเมื่อยแต่ก็มกักจะปล่อยใจถลัมเข้าไปแล้วที่ใจมันเข้าไปมันถล่มเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่ชอบมันรู้สึกลบกับความปวดความเมื่อยมันต้องงานผักใสแต่ยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดนะ อันนี้มันเป็นธรรมชาติของใจเนียอะไรที่เราผักสายเนี่ยเรายิ่งยึดติดดังนั้นถ้าเราผักสายความปวดความเมื่อยเมื่อไรเนี่ยใจเราก็จะถลอกเข้าไปในความปวดความเมื่อยมันยึดติดเข้าไปเลยอย่าไปผักสายมันแค่รับรู้เฉยๆหลวงพ่อเทีนท่านสอนว่าให้ดูรูซื่อรู้ซื่อรู้ซื่ อ, ค, อคือรู้เฉยๆแค่รู้ว่าการมันปวดการมเมื่อยพอแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน อันนี้ก็ใช้กับเวลาปฏิบัติธรรมด้วยนะเวลา ม, มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆอย่าไปผักสายมันบางคนเนี่ยทาเจริญสติทำสมาธิทำได้ไม่นานเครียดไม่อยากทำต่อบางคนก็เลิกทำไปเลยถามว่าทำไมบอกฟุ้งซ่านมากจริงๆฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา แต่ที่ก็มีความทุกข์เวลทาทำสมาธิเพราะใจที่ผักใส่ความฟุ้งซ่านใจที่พยายามผักใส่ความฟุ้งซ่านใจที่พยายามกดข่มความคิดแานที่จะรู้เฉยๆแทนที่จะดูมันเฉยๆนะกลับไปผักใสมันนะดีใจก็ตามเสียใจก็ตามบวดก็ตามสบายก็ตามแค่รู้เฉยๆนะอย่าเข้าไปเป็น อาจารย์หลวงพ่อหลวมพ่อประสงค์ปริปุญโนนั่นเราว่าเคยไปไปเทศที่โรงเรียนหนึ่งแล้วพอเทศจบก็ได้เจอเด็กคนหนึ่งเด็กอายุประมาณทั้งแปดขวบไนะด้เป็นผู้หญิงก็สนทนากันเด็กคนนี้ก็ฉลาดแล้วก็ผู้ใจสา ช, าชาน อาจารย์ประสงค์ก็เลยบอกว่าหนูเป็นเด็กฉลาดนี่ยวพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบรูปประคัมขึ้นมาทับยา่าพอเด็กเห็นเด็กก็ร้อู้ฮูอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามว่าหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายังไงเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจครับเด็กไม่ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจครับ นี่แหละคือความหมายว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นคนเราเวลาดีใจก็จะบอกว่าฉันดีใจนั่นแสดงว่าความเป็นผู้ดีใจเกิดขึ้นแล้วแต่เด็คนนี้แกไม่ทราบใครสอนนะแกเห็นความดีใจแต่ไม่เป็นผู้ดีใจอาจารย์ประสงค์ได้ยชนฉันเกิดถามต่อไปว่าแล้วหนูทํางานกับมันเดีกก็ตอบว่า หนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลแล้วข้างในมันสงบองเรานะคือดีใจก็ไม่เข้าไปไม่เข้าไปคอเคลียเสียใจก็ไม่เข้าไปผักใส่นี่เรียก ว, ว่า ร, รู้เฉยๆรู้ซื่อให่เราทำอย่างนี้กับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกับก า, กายและใจของเรา ดีใจเสียใจโปวดเมื่อยหรือสบายแค่เห็นแค่ตรงนี้แหละจะมาใช้กับเราในองโยมได้คือเห็นใจที่มันขุนมัวใจที่มันกระเพื่อมใจที่มันหงุดหงิดเห็นมันเห็นข้างในมันหุดหงิดหงุดหิดเห็นข้างในมันขุนมัวไมต้องทาอะไรกับมันนะสักพักมันก็จะสงบไปเสียงนดําก็ดังไปแต่ใจก็สงบได้ มีคำถามไหมฮะพูดถึงการวิธีการสร้างหมาย็ดีนะการกระนสติในชีวิตประจำวันเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านถึ่ออเหตุที่นำมาบอกว่าว า, วาการความสงบเนี่ยมันมีสองแบบสงบเพราะไม่รู้กับสงบเพราะรู้ รู้ในที่นี้คือรู้ความคิดและอารมณ์ความสุขที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นเหตุแห่งความไม่สงบนะที้สตินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีกับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ไม่ดีพอที่จะมาช่วยให้เราสงบใจหรือรู้ท้อทันความคิดและอารมณ์ความสุขได้ ก็ส่วนใหญ่เราใช้สติกับการใช้ดําเนินชีวิตประจําวันมากกว่าที่จะมาเพื่อการระลึกรู้เรื่องกายรื่องใจแต่ว่าเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันเช่นเวลาทําอะไรเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเวลาเราอยู่ในห้องน้ําอาบน้ําแปลงฟังนะ ใจเรก็อยู่การอาบน้ําอยู่การแปลงฟันไม่ใช่ว่าใจอยู่ตัวอยู่ในห้องน้ำแต่ใจไปอยู่ที่ทํางานแนละ้วคือตัวอยู่ในห้องน้ําแต่ว่าใจนีไปอยู่ห้องครัวแล้วลนะคิดอยู่ว่าจะทําอาหารอะไรให้ลูกกินดีนะพยายามนะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตัวอยู่ไ ใ, ใจอยู่นั่ง ทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นขวบบ้านทำครัวเดินขึ้นบันไดไม่ว่าทำอะไรน้อยหรือใหญ่ใจก็อยู่กับสิ่งนั้ น, น, ย น, น, ย อ, นอยไป น, นึกคิดอะไรคืออย่างคือว่าทำทีไร อ, อย่างทำทีไร อ, อย่าง คนเดี่ยวนี่นทำหลายอย่างความกันบางทีทำงานบางทีอาา่านน้ำใจก็วางแผลแล้วเดี๋ยวจะทำอาหารอะไรให้ลูกกินหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องการเวลาขัารถใจลอยนีย่คิดถึงลูกนะคิดถึงคนรักเวลาทำงาน ใจก็มีสมาธิพ่อของลูกเวลากลับมากลับมาบ้านเจอลูกใจก็คิดถึงงานนะอันนี้เราแจ่มไม่อยู่กปัจบันอันนี้เราว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันบางคนทํางานไปก็บวดไปทํางานไปก็บวดไปอันนี้ก็เราทำสองอย่างพร้อมกันถ้าทํางานก็ทํางานอย่างเกจะบวดนะก็ะะบวเนี่ยมันทําให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ เดือดทั้งกายเดือดทั้งใจเวลาทำงานเนี่ยพอใจเราไปไปอยู่ที่คนอื่นนะไปดูว่าเขาทำงานน้อยกว่าเราไหมทำไมเขาไม่มาทำงานเขาอู่งานหรือเปล่าเนี่ยใจเราทุกข์เลยนะอาตมากระทับใจเด็กคนหนึ่งนะเด็กอายุส3ทางช่องสมัย 67ปีก่อนในพีบีก็มีราย ก, การผลริตรำเด็กก็ก็อเด็กเนี่ยสามคนวัยต่าง ๆ, างๆกันแปดขวบก็สิบขวบก็สิบสามขวบก็มาทํากิจกรรมคราวนี้ก็เด็กประมาณอายุสิบสองขวามวบมาทำกิจกรรมกิจกรรมนั้นคือขนขอนขึ้นรถไฟรถไฟมีเวลาออกที่แน่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบผนเพราะว่าบางวันนั้นเนี่ยสมจิตงจง จ, งจอหอใยขึ้นชกเนี่ ย, เ, ยเรารู้จักใช่ไหม มีการถ่ายทอดสดเด็กสองคนเนี่ยก็ยเลยบไปดูสมจิตชกที่ให้เพื่อนที่เป็นเด็กหญิงเนี่ยทำงานคนเดียวพิธีกรก็เลยเห็นเด็กกุนขีอยันขนนะไม่หยุดเลยก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเนข้าไปดูสมจิตชกปล่อยให้เราทำงานคนเดียว เด็ก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนะนานๆจะได้เห็นได้ดูสมจิตขึ้นชกแต่หนูไม่ใช่แฟนสมจิตหนูก็เลยทํา ง, งานหนูไป <c oughs> ที่ดีก่าเยังไม่พอใจคําตอบนะถามใหญ่แล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเลยที่เขาทิ้งทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวเด็ <c oughs> กกว่าวว่างเด็กกว่าหนูคนของขุ้นไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียว ตองไปกลัวไปด่าว่าเขาด้วยโดนก็เหนื่อยสองอย่างคนฉลาดจะเหนื่ยกี่อย่างฮะอย่างเดียวนะแต่ส่วนใหญ่เราเหนือยกี่อย่างนะงเหน่ยกนะายก็เหนื่อยใจก็นะกจคือทําไปก็ปวดไปทําไปก็ปวดไปอันนี้เราทำสองอย่างทําแค่อย่างเดียวนะก็คือว่าขนของรถไฟว่าใจประโยชนการขนของรถไฟนี่เราการเจริญสติแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยาก นะเวลาฟัญญาทําบรรยายนี่ใจก็อยู่ที่นี่นะเดีย๋ยวเพิ่งไปนึกถึงงานที่ต้องไปพรีเซนต์ตอนบ่ายนะทํางานตอนเช้าก็ใจก็อยู่กับงานตอนเช้าเดีย๋ยวเพิ่งไปนึกถึงงานตอนบ่ายหรืองานตอนค่าทำทีละอยา่างนี่เป็นการเจลศริติในชีวิตประจําวันส่วนการเจลศริติในรูปแบบนี่ก็มีวิธีการอยู่แล้วนะ ซึ่งก็มีหลายครูบาอจารย์แนะนำนันนก็อยากจชวนนะว่าให้เราเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจําวันทําอะไรก็ทําทีฉยอยา่างตัวอยู่ในใจอยู่นั่นแล้วก็ถ้าต้องการหลักเพิ่มก็คือว่าเวลาทําอะไรเนี่ยนะก็ให้รูก้กายเคลื่อนไหวกินข้าก็ให้ร่วมมือกําังเคลื่อนเวลาเดินก็ร่วมเท้ากําลังเดิน ตัวกาลังขยับรู้การเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกใจมาคิดนึกอะไรถ้ามันเกิดคิดก็ให้มันมาสังเกตมันมีอารมณ์ใดเกิดมันก็ให้ให้สังเกตอย่างเด็ดเนี่ยที่บอกจารประสงค์นะรู้ที่ข้างหนามันดีใจมันสังเกตอารมณ์ของตัวมันตามดูรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นในใจนะ อันนี้จะเป็นวิธีการจรวจสติสเตชีวิตประจำวันนะที่ทำไดนะ้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปและมีทำให้พวกเราเได้รู้จักความสงบไม่จะอยู่ทําการผู้คนไม่ อ, อยุ่ทําการความรุนรอยจอดแจกนะนะก็ฝากาไว้แนะ้น